2. โกศิยวัค 3. นาเวพาฆาสิขาบทว่าด้วยการทำสันถัดโดยใช้ผนเกียม์ดำสองส่วนเรื่องพระชับพะคี552 ส, ส, สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพระเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินทิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพวกภิกษุฉับพะคีทราบว่า พระผู้มีพระภาคทรงห้ามการทําสันทัดขนเจียมดำล้วนจึงให้เอาขนเจียมขาวหน่อยหนึ่งปนไว้ที่ชายสันทัดแล้วทาสันทัดขนเจียมดำล้วนอย่างเดิมนั่นแหละบรรดาภิกษุผู้มักน้อยพากันตนีประนามโพนทนาว่าชะไหนพวกภิกษุชาวพคีจึงให้เอาขนเจียมขาวหน่อยหนึ่งปนไว้ที่ชายสันทัดแล้วทําสันทัดขนเจียมดําล้วนอย่างเดิมเล่าครัน้นภิกษุเหล่านั้นพากัน